13. มโทมณตินสีสินอุเปกินรีสิบหสัตตินรีสิบหวิริยินรียิบเสตินรียิบแสมาตินรีสิบเปัญญินรียี่สอานัญญาตัญยัตสามีตินรียี่สอัญยินรียี2สองัญญาตาวินสีร้ยยี2 0ิบรรดาอินรียี2สบนั้นจกขุนสีเป็นฉไน จักสุใดเป็นภาษาทรูปอาศัยมหาภูตรูปสี่นี้ชื่อว่าบ้านว่างบ้างนี้เรียกว่าจักขุนสี่โสตินสีคานินทรียชิวหินรีกายินรียเป็นฉนัยกายใดเป็นภาษาทรูปอาศัยมหาภูตรูปสี่นี้ชื่อว่าบ้านว่างบ้างนี้เรียกว่ากาญินทรียมนินทรียเป็นฉนัย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 ที่ไม่นับเคื่องในวัตทุก็มีมนณีสีหมดละหได้แก่มณีสีท e um. <ส> um. ี่สัมปยุทธ์ด้วยสุขขินสีก็มีที่สัมปยุทธ์ด้วยทุกขินสีก็มีที่สัมปยุทธ์ด้วยโสมนัสสินรียก็มีที่สัมปยุทธ์ด้วยโทมนัสสินรียก็มีที่สัมปยุทธ์ด้วยอุเปกขินรีก็มีมนณีสีหมดละหได้แก่จักขุวิญญาณมโนวิญญาณมนณีสีหมดละหมีด้วยอาการอย่างนี้มณีสีหมดละเจ็ด ได้แก่จักขุวิญญาณกายวิ ญ, ญญาณมโนธาตุและมโนวิญญาณธาตุมนินทรีหมดละเจมีด้วยอาการอย่างนี้มนินทรีหมดละ8ได้แก่จักขุวิญญาณกายวิญญาณที่สหรคตด้วยสุข ก, ก็มีที่สห ร, รูปด้วยทุกข์ก็มีมโนธาตุและมโนวิญญาณธาตุมนินทรีหมดละ8มีด้วยอาการอย่างนี้ มนิณีสีหมดละก้าได้แก่จกัญญกขุวิญญาณกายวิญญาณมโนธาตุและมโนวิญญาณธาตุที่เป็นกุศลก็มีที่เป็นอกุศลก็มีที่เป็นอัพยากฤตก็มีมนนิทรีย์หมดละกมีด้วยอาการอย่างนี้มนนิทรีย์หมดละสิบได้แก่จกักขวิญญาณกายวิญญาณที่สรคตด้วยสุขก็มีที่สรคตด้วยทุกขก็มีมโนธาตุและมโนวิญญาณธาตุ ท, <Wayne> ท, ท, ที่เป็นกุศลก็มี <zone>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 เรียกว่าสุขขินสีทุกขินสีเป็นไนความไม่สรรําราญทางกายความทุกข์ทางกายความเสวย อ, อารมณ์ที่ไม่สรรําราญเป็นทุกข์อันเกิดแต่กายสัมผัสกริริยาเสวยอารมณ์ที่ไม่สํำราญเป็นทุกข์อันเกิดแต่กายสัมผัสนี้เรียกว่าทุกขินสีโสมนสินสีเป็นไนความสรรําราญทางใจความสุขทางใจ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 สองโศตินรีสามคานินรีสี่ชิวหินรีห้ากายินสีหกมณินรีเจอิตินรีแปดปุริสินรีเก้ชีวิตินสีสิบสุขินสีสิทุกหินรีสิบสโสมนัสินรีสิาโทมนัสตินสีสิบอุเปกินรีสิบหสัตตินรีสิบหวิริยินรี สิบเจสตินสีสิจะมาทินสีสิบก้าปัญญินสียี่สิบอนัญญาตัญย า, ามีทินสีนยี่สิบเอ็ดอัญญินสียี่สิบสองอนยตาวินสีติกะมาติกาปุจชาทุกกะมาติกาปุจชา222รบรรดาอินสียี22อินรีเท่าไรเป็นกุศลเท่าไรเป็นอกุศลเท่าไรเป็นอัพยกริ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 อินทรีสี่ที่เป็นกุศลก็มีที่เป็นอัพยกฤตก็มีอินทรียหกที่เป็นกุศลก็มีที่เป็นอกุศลก็มีที่เป็นอัพยกฤตก็มี 2. เวทนาติกะวิสัชนาอินทรียิบสกล่าวไม่ได้ว่าสัมปยุทธ์ด้วยสุขเวทนาสัมปยุทธ์ด้วยทุกขเวทนาหรือสัมปยุทธ์ด้วยอทุกขมะสุขเวทนาอินทรียหก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 ติกะวิสัชถนาอินทรีเก้ไม่มีทั้งวิตกและวิจารณ์โทมนณตินทรีมีทั้งวิตกและวิจารณอุเปกินทรีที่มีทั้งวิตกและวิจารณก็มีที่ไม่มีทั้งวิตกและวิจารณก็มีอินทรีสิบเอที่มีทั้งวิตกและวิจารณ์ก็มีที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารณ์ก็มีที่ไม่มีทั้งวิตกและวิจารณก็มี 7. ปีติติกวิสัชถนา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 อินทรีสองเป็นของเสกบุคคลอัญญาตาวินทรีเป็นของอเสะบุคคลอินทรียก้ที่เป็นของเ <mechanisms> สกบุคคลก็มีที่เป็นของอเสะบุคคลก็มีที่ไม่เป็นของเสกบุคคลและอาสะบุคคลก็มี 12. ปริต right ติกวิจัชนาอินทรีสิบเป็นปริฏตอินทรีสามเป็นอปปมาณะ อินทร์เก้ที่เป็นปริตะก็มีที่เป็นมหคตะก็มีที่เป็นอัปปมานะก็มี13ปริตารมานติกวิจัชนาอินทรีย์7รับรู้อารมณ์ไม่ได้อินทร์สองมีปริต ะ, ะเป็นอารมณ์อินทร์สามมีอัปปมานะเป็นอารมณ์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 โทมานตินรียที่มีสภาวะผิดและให้ผลแน่นอนก็มีที่ไม่แน่นอนโดยอาการทั้งสองนั้นก็มีอินทรียหกที่มีสภาวะผิดและให้ผลแน่นอนก็มีที่มีสภาวะชอบและให้ผลแน่นอนก็มีที่ไม่แน่นอนโดยอาการทั้งสองนั้นก็มี 16. มัคคารมณนติกะวิสัชนาอินทรีเจ็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 ที่เกิดขึ้นก็มีที่ยังไม่เกิดขึ้นก็มีที่จะเกิดขึ้นแน่นอนก็มี 18. ดอตีตติกวิสัชนาะอินทรีย์22ที่เป็นอดีตก็มีที่เป็นอนาคตก็มีที่เป็นปัจจุบันก็มี 19. อตีตาระมานติกวิสัชนาะอินทรีย์เจรับรู้อารมณ์ไม่ได้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 มีอนาคตธรรมเป็นอารมณ์หรือมีปัจจุบันธรรมเป็นอารมณ์ก็มี 20. อัอจชะตติกะวิสัชนาะอินทรีย์22ที่เป็นภายในตนก็มีที่เป็นภายนอกตนก็มีที่เป็นภายในตนและภายนอกตนก็มี21อัจชะตารามณติกะวิสัชนาะอินทรีเจรับรู้อารมณ์ไม่ได้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 และกระทบไม่ได้ 2. ทุกกะมาติกาวิสัชนาะ 1. เหตุโคจฉกะวิสัชนา224อยยี่ิบสีอินซีสีเป็นเหตุอินซีย์บ8ไม่เป็นเหตุอินซีเจมีเหตุอินซียกไม่มีเหตุอินซีหที่มีเหตุก็มีที่ไม่มีเหตุก็มีอินซีเจ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 ที่ไม่เป็นเหตุแต่มีเหตุก็มีที่ไม่เป็นเหตุและไม่มีเหตุก็มี 2. จุลันตระทุกขวิสัชฉนาอินทรียี2สมีปัจจัยปรุงแต่งอินทรีย์22ถูกปัจจัยปรุงแต่งอินทรีย์22เห็นไม่ได้อินทรีย์ากระทบได้อินทรียิบเกระทบไม่ได้ อินทรีย์เ็เป็นรูปอินทรีย์สไม่เป็นรูปชีวิตอินทรีย์ที่เป็นรูปก็มีที่ไม่เป็นรูปก็มีอินทรีย์สิเป็นโลกิยะอินทรีย์สเป็นโลกุตระอินทรีย์ก้าที่เป็นโลกิยะก็มีที่เป็นโลกุตระก็มีอินทรีย์2ีบจิตบางดวงรู้ได้อินทรีย์2จิตบางดวงรู้ไม่ได้ าอาสวะโคจัจฉกะวิสัชนาอินทรีย2 2ไม่เป็นอาสวะอินทรีสิบเป็นอารมณ์ของอาสวะอินทรีสไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะอินทรียกที่เป็นอารมณ์ของอาสวะก็มีที่ไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะก็มีอินทรียิบวิปยุตจากอาสวะโทมณตินทรีสัมปยุตด้วยอาสวะ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 กล่าวไม่ได้ว่าเป็นอาสวะและสัมปยุตด้วยอาสวะหรือสัมปยุตด้วยอาสวะแต่ไม่เป<ำ>็นอาสวะอินรีหกกล่าวไม่ได้ว่าเป็นอาสวะและสัมปยุตด้วยอาสวะที่สัมปยุตด้วยอาสวะแต่ไม่เป็นอาสวะก็มีที่กล่าวไม่ได้ว่าสัมปยุตด้วยอาสวะแต่ไม่เป็นอาสวะก็มีอินรีเก้า วิปยุ์จากอาสวะแต่ไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะอินทรีสามวิปยุจจากอาสวะและไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะโทมานตินสีกล่าวไม่ได้ว่าวิปยุจจากอาสวะแต่เป็นอารมณ์ของอาสวะหรือวิปยุ์จากอาสวะและไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะอินทรีสา 3. ที่วิปยุจจากอาสวะแต่เป็นอารมณ์ของอาสวะก็มี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 และไม่เป็นอารมณ์ของสังโยชน์ก็มีที่กล่าวไม่ได้ว่าวิป ย, ยุจจากสังโยชน์แต่เป็นอารมณ์ของสังโยชน์หรือวิป ย, ยุจจากสังโยชน์และไม่เป็นอารมณ์ของสังโยชน์ก็มี 5. คันทักโคจักะบิจัชนาะอินทรีย์22ไม่เป็นคันทักอินทรีสิบเป็นอารมณ์ของคันทะอินทรีย์มไม่เป็นอารมณ์ของคันทะ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 และไม่เป็นอารมณ์ของคันถะก็มี6ถึง8โอคะโคจัชากาบทิวิสัชนาอินทรีย์2ีไม่เป็นโอคะไม่เป็นโยคะไม่เป็นนิวรณ์อินทรีย์สิเป็นอารมณ์ของนิวรณ์อินทรีย์สไม่เป็นอารมณ์ของนิวรณ์อินทรีย์เก้า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 หรือสัมพยุตด้วยนิวรณ์แต่ไม่เป็นนิวรณ์โทมนัสินสีกล่าวไม่ได้ว่าเป็นนิวรณ์และสัมพยุตด้วยนิวรณ์หรือสัมพยุตด้วยนิวรณ์แต่ไม่เป็นนิวรณ์อินทรียหกกล่าวไม่ได้ว่าเป็นนิวรณ์และสัมพยุตด้วยนิวรณ์ที่สัมพยุตด้วยนิวรณ์แต่ไม่เป็นนิวรณ์ก็มีที่กล่าวไม่ได้ว่าสัมพยุตด้วยนิวรณ์แต่ไม่เป็นนิวรณ์ก็มี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 ที่ทำประยุทธ์ด้วยปรามาศก็มีที่วิปประยุทธ์จากปรามาศก็มีอินทรีสิบกล่าวไม่ได้ว่าเป็นปรามาศและเป็นอารมณ์ของปรามาศหรือเป็นอารมณ์ของปรามาศแต่ไม่เป็นปรามาศอินทรีสามกล่าวไม่ได้ว่าเป็นปรามาศและเป็นอารมณ์ของปรามาศหรือเป็นอารมณ์ของปรามาศแต่ไม่เป็นปรามาศอินทรีเก้กล่าวไม่ได้ว่า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 ก็มีที่ไม่เป็นไปตามจิตก uh, ็มีอ yep. ินทรีย์13รัคนกับจิตและมีจิตเป็นสมุทฐานอินทรีย์8ไม่รัคนกับจิตและมีจิตเป็นสมุทฐานชีวิตอินทรีย์ที่รัคนกับจิตและมีจิตเป็นสมุทฐานก็มีที่ไม่รัคนกับจิตและมีจิตเป็นสมุทฐานก็มีอินทรีย์13รัคนกับจิต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 มีจิตเป็นสมุดฐานและเป็นไปตามจิตอินรีย์8ไม่ประคกับจิตมีจิตเป็นสมุดฐานและเป็นไปตามจิตชีวิตินรีที่ประคุกับจิตมีจิตเป็นสมุดฐานและเป็นไปตามจิตก็มีที่ไม่ประคนกับจิตมีจิตเป็นสมุดฐานและเป็นไปตามจิตก็มีอินรีหเป็นภายในอินรียิบเป็นภายนอก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 อินทรีสิบวิปยุจจากอุปาทานแต่เป็นอารมณ์ของอุปาทานอินทรีสามวิปยุจจากอุปาทานและไม่เป็นอารมณ์ของอุปาทานอินทรีสามที่วิปยุจจากอุปาทานแต่เป็นอารมณ์ของอุปาทานก็มีที่วิปยุจจากอุปาทานและไม่เป็นอารมณ์ของอุปาทานก็มีอินทรีหก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 กล่าวไม่ได้ว่าเป็นกิเลสและสัมปยุตด้วยกิเลสหรือสัมปยุตด้วยกิเลสแต่ไม่เป็นกิเลสโทมณตินสีกล่าวไม่ได้ว่าเป็นกิเลสและสัมปยุตด้วยกิเลสหรือสัมปยุตด้วยกิเลสแต่ไม่เป็นกิเลสอินสียหกกล่าวไม่ได้ว่าเป็นกิเลสและสัมปยุตด้วยกิเลสที่สัมปยุตด้วยกิเลสแต่ไม่เป็นกิเลสก็มีที่กล่าวไม่ได้ว่า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 อินทรีเก้าไม่มีวิตกโทมนัิสินทร์มีวิตกอินทรีสิบสองที่มีวิตกก็มีที่ไม่มีวิตกก็มีอินทรียก้าไม่มีวิจาร์โทมนัิสินทร์มีวิจารอินทรีสิบสองที่มีวิจาร์ก็มีที่ไม่มีวิจาร์ก็มีอินทรียิ1เไม่มีปีติอินทรีสิบที่มีปีติก็มีที่ไม่มีปีติก็มีอินทรียิ1ไม่สหรคตด้วยปีติ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 อินทรีสิบเป็นกามาวจรอินทรีสามไม่เป็นกามาวจรอินทรีก้าที่เป็นกามาวจรก็มีที่ไม่เป็นกามาวจรก็มีอินทรีสิบสามไม่เป็นรูปาวจรอินทรีก้าที่เป็นรูปาวจรก็มีที่ไม่เป็นรูปาวจรก็มีอินทรีสิบสี่ไม่เป็นอัรูปาวจรอินทรีแปด ที่เป็นอรูปาวจรก็มีที่ไม่เป็นอรูปาวจรก็มีอินทรีสิบนับเนื่องในวัตถุกอินทรีสามไม่นับเนื่องในวัตถุก์อินทรีก้าที่นับเนื่องในวัตถุก็มีที่ไม่นับเนื่องในวัตถุก็มีอินทรีสิบเอไม่เป็นเหตุนาออกจากวัตทุ